ที่เรากำลังทำอยู่ขอพูดกับทุกท่านเรื่องกรรมฐานว่าเป็นหมูกเป็นมิดด้วยเส้นาหลงทิศหลงทางเรามีงานมีการเรามีการบ้านอย่าปล่อยทิ้งคว้างอยู่มันเป็นขยะมันลกหลงหลงังสิ่งที่มันมีอยู่นี่ทำได้ทำได้สำเร็จได้ เราไม่ทำมันก็ไม่สําเร็จการบ้านของเราคือมันหลงก่อนทําการบ้านคือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้จบไปแล้วหลงที่ใดรู้ที่นั้นเมื่อเหมือนหลงเราก็มีอะไรอืดีกเกิดขึ้นต้องให้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ด้วอเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารนั้นเต่าที่มันมีสีขา เวลามันเดินเปลี่ยนหายท่องมันขึ้นเหมือ น, นพ่อแม่เอาเต่าใบโลกเล่นเต่ามบหย่างเอาไฟจุดกล่นเต่าโปมุนโนหกเลยแท่งเวลาใดมันเป็นลูกลูกเข้าไปเตรียมพร้อมนานใดที่มันหลงก็เปลี่ยนได้ทันทีเพราะมีตัวรู้มีสภาวะ่าที่รู้ อยู่เสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปเป็นหลงได้โดยเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารได้นี่งานของเราเติมหลองนี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทุกชีวิตก็หลงไม่ว่าพระว่าโยมหนุ่มสาวอายุแก่าเท่าฟัานกลางเพศใดภาษาใดลัทธิใดอยู่ที่ไหนหลงอะไทั้งนั้น มีการงานส่วนโตจากนี้เมื่อมันหลงนี่ก็ไปไกลไปถึงชาติชลาโมโนโูกปิติวะทุกตัวมนัดอุปศญาตไปเรื่อยเรื่อยเรียน่าวใตเกิดเกิดดับเกิดดับหลงแล้วจีข้างจีหนเมื่อมันหลงก็ไปถึงวมโลภความโกรธความทุกข์อะไรต่างๆมากมาย ขยายไปเป็นอกุศลดูไม่รู้็ให้ทุกข์ฝ่ามีโทษกขเจอตัวเองแลวคนอื่นรู้สภาวะที่รู้เ็าเปลีป่ยนแปลงก็ไม่เป็นอกุศลเป็นกุศลเกิดขึ้นแทนที่เหมือนความสว่างแสงสว่างแทนความมืดเรียกว่ากุศล กุศลนี้เป็นธรรมขาวเหมือนสว่างกุศลเป็นความมืดเป็นธรรมดำมันมืดไม่รู้ไม่รู้จากตัวเองไม่รู้จักคนอื่นเป็นข้าราวีดูด่าเบียดเป็นกันได้เพราะมันหลงความหลงนี่เป็นความมืดเป็นบาปเป็นนรกเป็นเปรตเป็นชัลกายมันเป็นกรรมไป นักบ้างเบาบ้างตามความหลงของคู่ของคนถ้าผู้ใดเปลี่ยนความหลงได้เป็นความรู้ได้น้อยน้อยหรือมากขึ้นถ้าเปลี่ยนได้มากน้อยก็เรียกว่าเสกบุคคลตู้ยังมีความหลงอยู่นิดหน่อยเหมือนกับฐานไฟที่ยังไม่มอดยินจะนิดยังอุ่นอยู่ เมื่อไปกองกันไว้มันอาจจะอบเกิดไปขึ้นมาได้ถ้าไม่มอดสนิทซะไนสมัยหนึ่งเราอยู่พุทธยานมังเลยพระเนรพากาันเผาถ่านให้ล้มเราจัดเผาเราวอาถ่านนั้นมากองไว้ใต้สุนเสลายังไม่เย็นสนิท พอหมอกลองกันไว้ตอนกลางคืนก็เพีงเป็นนอนอยู่กรรม ก, กติต่างๆก็กลที่ปศาลามัามนศาลาหน้าสุโกโตนี้ไม่มีใครนอนแต่เป็นศาลาสองชั้นต่ำๆเอาวางไว้ใต้ถุนศาลาตรงพระพุทธ ร, รูปอยู่มีทูปมีเทียนแล้วก็อยู่กันนานๆไปก็เกิดไปขึ้นก็เกิดไปขึ้นก็ ร้อลงถึงทูปถึงเทียนเทียนก็ซึมลงไปใส่ฐานไฟแดงๆก็เกิดเปลวไฟลูกไหมพระเน้นอยู่ในกติไม่รู้เลยชาวบ้านก็ไปดูหนังเดินผ่านมาทางวัดมาเห็นไฟลุกพ่วมจะรออยู่ก็โลยที่ขอที่กองป่ากันไปดับไฟพระก็ยัง ไห้รู้เลยมันอุ่นอยู่ผ่านมันอุ่นอยู่มันเกิดไปได้เศคารธรร ม, มาเนี่ยมันเป็นไออุ่นอยู่ผู้ยังต้องระวังอยู่ผู้ต้องศึกษาอยู่นมะ่ดับไปบ้างแล้วแต่ยประมาดเอาให้เป็นอาเสคะรุคลผู้ที่เย็นจันิดแล้ว มดแล้วสังขารดับหมดแล้วมีแต่วิสังขารเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเหมือนฐานที่มันมอดแล้วเอาวางใส่ตักไบวางใส่มือไม่ร้อนแล้วไก่มาจับหมายต้องก็ไม่ร้อนแล้ววางจิที่ใดอยู่ในหมอนในเสือก็ไม่ร้อนแล้วนี่เลยว่าอาเศัขะบุคคล ไม่ได้เหมือนการสมัยครังพุทธกาลหมชนผู้เชื่อฟังคำสอนของเราตถาคตแล้วว่ากันปฏิบัติชอบตามธรรมวิ น, นัยก็เลือมหมชนก็ดับชนิดนี้ชอบด้วยธรรมวิ น, นัยวิคืออะไรนนยะคืออะไรวิคือวิเศษดีเลย ว, วิเศษแล้ว มีสภาพที่รู้คู่กับสภาพที่หลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่คือวิเศษแล้วเปลี่ยนกรบหลงเป็ความรู้ถูกที่สุดแล้วชอบทำแล้วกวมหลงไม่เป็นธรรมความรู้เป็นธรรมปฏิบัติชอบธรรมทำในนายนี้เรียกว่าสงสงนี่เกิดขึ้นบูรุษ สีค่คู่นับเรียงทุบุลุษได้แปดลหลุษคือโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลจิตคามีมกักสติาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลอรหรันต์มักอรหันตะผลนี่เป็นโยมก็มีอย่างพระ อ, อรหันต์สมัยก่อนนั้นเป็นอรหันต์แล้วจึงมาขอหมวด บางลูกก็ไม่เป็นผลหันหมีสันทาเกิดขึ้นอยากจะบวชก็มาขอบวชไม่บวชเลยก็มีเช่นนางวิสาขาอนานทาพิทักาศเศรษฐีตร ก, กูลที่เป็นเจกา บ, บุคคลมีเยอะพูาเจ้าจึงห้ามพระสงค์ให้ไปขออะไรจาก หมู่บ้านบ้านของบุคคลที่เป็นเช ค, คะบุคคลเช่อนอนาถะเป็นที่เการเสตีห้ามสงไปขอไม่ขอก็อให้อยู่แล้วมีอยู่ทั่วไปส่วนผู้ใดว่าสง์จะมาบวชก็มาบวชพระเจ้าหรือกว่าบวชอหภิกขุสัมปทาการบวชของผู้เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็โอวาทบอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทําไว้ไหนเรากล่าวไว้ดีแล้วตัดไว้ดีแล้วจงเป็นผู้พิชธรรมนั่นเถิดนี่คือพระหรหันต์แน้วมาขอบวชเชิญโกนธน ญ, ญาพามเป็นพระหรหันต์แล้วจะมาขอบวชส่วนผู้ใดยังไม่เป็นพระหรหันต์พระเจ้าก็บอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำไว้ไหยเราจัดไว้ไดีแล้วจงเป็นผู้พื้นตามทำไว้ไหย น, นั้นเถิดให้ประพฤติตามทำไว้ไหนนั้นส่วนผู้เป็นประธานแล้วให้ปฏิบัติทำนั่นเถิดคือมันมีแล้วเย็นแล้วให้อยู่ในความเย็นนานเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารนานมีอยู่อย่างนี้ก็เลยเป็นแบหมู่ชนผู้เชื่ยวฟังคาสอนคือพวกเรานี่ก็ได้ แน่นอนคือพวกเรานี่แหละมาจากทุกสารทิศมาสมาบดมาลางานานาการมาเนี่ยทั้งหนุ่มๆสาวๆทั้งอายุปานกลางทัานเท่าทั้งเก่เรียกว่าหมู่ชนสมพระธรรมมีอยู่แล้วพระธรรมน้ำแต่สติสัมปชัญญะท้มีอุปการะมากสองอย่างอุปการะคืออะไรคือคุณค่า เหมือนพ่อเหมือนแม่กรรมมีอุปการะมากสองอย่างสติความเลือกได้สมปัญญะความรู้ตัวแล้วก็สอบนักธรรมได้เอา ไ, ไปประกาศมังอยบฝาไม่ใช่เลยไม่ใช่อยู่ในตำรากระดาษนวะโกวาดอยู่ในกายในใจเหล่านี้หนังสือข้อสองข้อนี้ทำสองของ้ อ, ขอนี้อยู่ในกายในใจเหล่านี้ อยู่ที่ไหนแล้วก็มือวางไว้บนเขา่าพรีกขึ้นยกขึ้นลกจงลู่ซึกนี่แ่ละระลึกได้อยู่ ล, ลู่ซึกตัวอยู่ลู่ซึกอยู่นี่ระลึกได้อยู่นี้เหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ทราเจ้าถึงชื่อให้มันยอดเยี่ยมขนาดนี้เพียงสองขอ้อไม่มากทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้มือวางไว้บนเขา่า พลิกขึ้นก็รู้ได้ทุกคนเมื่อวานนี้เด็กน้อยมาพ่อแม่ปบาบังก่าหลงตาบางคนก็มานั่งพ่อแม่บอกให้มานั่งต่อหน้าหลงตาเราม็ยกมือสร้างจังหวะได้เด็กน้อยหเแต่ว่าทําได้ทําได้อย่างสังกิจจะสําเนนอายุเพ่งเกียรตขวบันรูุเป็นพระหลันได้ไหม สังกิจจาสำเนนเราจะขี้เลยกว่าสังกิจจาไปหรืออายุทรงเป็น ห, หนุ่มเป็นสาวเราก็มีน้องมาใช่เราอย่าทอดทุละสาเก็มีการบ้านปล่อยทิ้ง ไ, ไม่ได้เสียชาตินะเกิดมาต้องหาทุนนะเรามีทุนแล้วมนุษย์สมบัติแล้ว เดินอยู่บนทางสีแพงยืนอยู่บนทางสีแพงขณะ น, นี้ทางหนึ่งไปสู่มักสู่ผลอยู่ตรงหน้านี้ทางข้างหลังไปสู่เปรตจุลกายนรกอย่างนั้นหลังไปนั้นไม่ใช่ทางว่านี่หลงตาพูดถึงทางกลับมาซะมันจะหันหลังไปมันจะไปสู่ความหลงสิบปีมันเอามาคิดมีบ้างไหม ความโกรธออกมานั่งอยู่ที่นี่ความทุกข์อกมานั่งอยู่ที่นี่ความรักความชังมาถึงเสลาหัวใจนี้มาด้วยทำไมเอาทิ้งไว้นู่นมันจะกลับไปหรือมันจะวิ่งไปข้างหน้าน้องตาสอนนี่จะถึงสุขภาว ด, ดีไหมจะถึงอริมิตรพุทธไหมจะทำฌ า, านได้ไหมมันคิดไปแล้ว มันล่วงหน้าไปแล้วรู้ก่อนรู้หลงก่อนหลงกลัวจะไม่ได้กลัวจะผิดกลัวจะยากอย่างแต่งที่ไม่เป็นอะไรก็ยากแล้วมันไปทั้งหน้าวางแผนไว้นั่นไม่ใช่ของจริงเมื่อวานก็ไม่ใช่จริงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้จริงกลัวทําทอะไรก็ได้เดินไปเธอเนี่ยกลางหน้ามี มันจะไปทั้งหลังกลับมาแล้วจึงมีกรรมาฐานรูปแบบเอาเมื่อวางไว้บนเขาเป็นนิมิตเอาของจริงเป็นนิมิตคือกายนี้ให้ลู่ที่กายอาพระเจ้าสอนอย่างนี้นะยานุปจนนาสติปุฏฐานมีสติเห็นกายทุกคนมีกายจะเป็นหนุ่มเป็นเจ ก, ก็มีกายอันเดียวกันเป็นหญิงเป็นชายก็มีกาย เป็นพระเป็นเรนรก็มีกายเหมือนกันหมดกายนี้ก็มีกายมีใจเหมือนกันหมดมันเคลื่อนไหวเป็นไม่ใช่ต้นเสาค้อนหินมันทําดีแต่มันทําชัว่วไะไรคือกา ย, ค, กายคือใจเป็นกายกรรมมโนกรรมมันจะเกิดดีเกิดชัว่วต้องอยู่ที่กายที่ใจนี่อาริ่มต้นตรงนี้กัน ไม่ใช่ไม่มีเราก็มีอยู่พร้อมที่เดินไปข้างหน้ามันจะหลงไปทั้งหลังก็กลับขึ้นมาปัจจุบันนี่คือชีวิตจริงถ้าไม่ตั้งไวที่นี่มันจะไหลไปข้างหลังคืนไปข้างหลังถ้าไม่ตั้งไว้ที่นี่มนจะวิ่งไปข้างหน้าเอาผิดเอาถูกก่อนสุกขก่อนทุกข์ก่อนได้ก่อนเสียก่อนยากก่อนง่ายก่อน เอาความยากเอาความง่าเอาความผิดเอาความถูกเอาความฉุกเอาความทุกข์เอาสุกเฉิก็ดีเอาอมิตะพุทเอาฌานไปแล้วมันไปแล้วมันลืมตรงนี้มันจะไปที่ใดมันต้องตั้งต้นนี่ก่อนไม่ใช่หาคำตอบจาความคิดน่ะเรานี่มันคิดเกองมากันทุกคนแล่ะเราจึงเอาของจริงน่ะศึกษา ควารู้ควาหลงก็ต่างวาระกันบางคนหลงบางคนรู้คนบางคนก็ไม่หลงแล้วความทุกข์ของคนบางคนคนบางคนก็ไม่ทุกข์แล้วความโกรธของคนบางคนบางคนก็ไม่โกรธแล้วจะนึกว่าเราทุกคนเดียวคนก็เคยทุกข์มาเหมือนกันไม่ต้องอธิบายจกก็เคยเหมือนกัน หลง่็เคยเหมือนกันเป็นอันเดียวกันมโมโหเดียวกันเกิดเจ็บเยบตายเหมือนกันเนี่ยมันจะขาดทุนเรามีมนุษยสมบัติฉิมฐานพาละมาเกิดอยู่ที่นี่ทําดีได้แล้วความช่วยได้ถ้าไม่มีศีลมีฐานภาามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเปรตเป็นสุกายเป็นสนัตวโลกพัฒนาไม่ได้ แต่คนเหล่านี้เมื่อไม่พัฒนามันจะต่ำไปอีกละจะเป็นเต๋อเป็นูปกายไม่สนลกแม่เทวดาอยู่เมืองสวรรค์ก็ยังมาเกิดเ ป, นป็ น, นมนุษย์จึงจะไปสู่นิพพานได้นี่จิตโสมนุษย์จะปฏิลาภาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบปันประเสฐแล้วเป็นลาบปนปิะเสดแล้ ว, ลวไม่ใช่เกิดเป็นอันอื่นจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่คือพระธรรมมีแล้ว ใครจะรู้ใครจะไม่รู้พระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเป็นพระเจ้าแต่จะรู้เห็นพระธรรมพระธรรมกายเป็นพระเจ้าพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเป็นอยู่อย่างนี้คำว่าธรรมดีก็เรียกว่ากุศลธรรมมันไม่ดีเรียกว่าอกุศลธรรมมันไม่ใช่มาจากไหนมันอยู่ในชีวิตเหล่านี้ กุศลก็ดีอกุศลก็ดีพระเจ้าก็ตัดจะลู่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นชาวเสยียมพูตัดจะลู่ชอบด้วยพระอว์เองพระเจ้าก็คือสมหมืนชนเหมือนเหล่านี้ไปเป็นเจ้าผ้าชายเจ้าสยียมพูน้องตาเคยไปเสยียมพูนะ เมืองในเมืองการนบุรุประเทศเนปาลตามไปหมดเลยกุศามีจัทธาน่ต้องตามหาได้ยังไงยังไงไปเนปาลหิมาลัยก็ขึ้นไปนอนแล้วไปนอนอยู่บนเขาหิมาลัยมองลงมาสนามบินกรุงการนบุรุ ยี่กว่าหมห้าสามสิบกว่ามอมองลงมาเห็นแต่ไฟแดงข้าคืบบดิมันสูงไฟแดงสนามบินนี่แค่นี้ยยี่สิบกว่ามแล้วาการบรรดุยมภูเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโพธิสัตว์นะแล้วก็ยังเชื่อกันอยู่แล้วพาไปดูโพธิสัตว์เป็นเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบเรเลี้ยงมาดี ลูกจักอะไรเยอะแยะต้องเล่าเรื่อของเขาแต่มีในสืสัมพูนั้นมีมีบ้านเป็นประสาทแล้วก็ให้ไปดูเปิดหลอดฉวังก็ปัถ้ามีใครมีบุญบริษัทน้อยจออกมาทางหน้าต่างให้ยืนอยู่แถวนี้แต่ห้ามถ่ายรูปอ่า โอทิสัตถ์เห็นเรายิ้มใจหรือว่ามีวุ่นแล้วท่านทั้งหลายแต่ห้ามถ่ายรูปห้ามชี้มือแล้วไปยืนอยู่ตรงหน้าตาก็ไปยืนอยู่ไม่นานก็ออกออกมาทางหน้าต่างสวยนะคนการบรรดุนี่ <c oughs> เอกน้อยขาเหมือนจะมองทะลุเลยแล้วมองก็มองรอหัวออกมามองรอ เราก็ยิ้ยมเขาบอกคนที่ไปเดยกันชื่นใจพูที่จัดยิ้ยมใสตัวธรรมดาเนาะคนเราอันนี้เลยอะผู้ที่จัดน้อยังมีอยู่นะอีกไม่กี่ปีจะเป็นผุ้เจ้าขึ้นมาเองาการบรรดุนะสยามพูนะพระตัวเจ้าของเราสิท ธ, ธิทอยู่ในสยามพูนี้ จนตัดรู่ใหม่ออกจากสีหมหาโพธิ์ในอาทิตย์ที่สี่เดินไรอุบาชีวุคนหนึ่งเดินสวนทากมาเห็นหนะ้าพุทธเจ้าประมองของคคลงพลังลงถามตรงๆท่านเป็นใครท่านมาจากไหนมีใครเป็นครูของท่านท่านรู้ทำอะไร พระเจ้าก็กําลังร้อนวิชากรรมฐานไงพระเจ้าก็ตัดขึ้นเลยว่าอย่างไม่ทนุถนอมเราเป็นชาวเสียมภูตัดทะลุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราพราคนนั่นคุยโอ้อวดกันไปคําว่าตัดทะลไม่เคยได้ยินพระเจ้าโอ้ลงไปได้เลยท่านสุภะทีบ่บอกกันงง นีไปเลยไม่ไปฟังทำเลยฆ่าเจอแล้วจะใช่หรือเปล่าตอนใกล้ปรนีพผ่านอุปกาปกรชีวกนเนียยังคิดอยู่อุยอ้ยอาจจะเป็นสำนัโพดมลูกชายสุโธนาชาวเสียมโูนั่นก็นมัง้งแต่จะรู้ชอบว่ายังคิดในหัวใจตลอดตั้งแต่วันพบพี่แรกเลย ใจเจ็บใจใช่ไหมเออชี้ไปก็เล่าเรือไปเรือเร่อยไปล้วสำนักโคดมอาจจะเป็นที่เราเห็นตั้งสี่สิบปีนู่นมากกได้จะไปนีผ่านแล้วอยู่โกศีนาระโอกาชีวคนนี้ก็ ม, มาตรวจพปนหนทรรมได้ไปเลยวิ่งเอานะชี่น้อยไม่ชิด่เดินนะ กระหือก็หอบไปว่าใครก็เล่าเลยว่าสมณะผู้เจ้าจับปนิพานแล้วผู้คนก็ไปกลบไปวหวยไปบูชาดอกบัางทุปเทียนกองถึงสูงที่สุดเลยจนพระ อ, อนอนุออนัฐเห็นยามเฝ้าไม่ให้คนเข้าไปรบกวนแต่ถ้าจะไป อ, อนอนั์ต้องผลขวย ให้ผู้หญิงเข้ากนแบ่งคิวเข้าไปดอกไม้ไปบูชาวางลงก็ไล่ออกไปผู้ชายให้มาทีหลังบริการผู้หญิงจริงนะขินโขยเรื่องผู้หญิงมากจนเมื่อการนานไปแล้วปณิธานไปแล้วหลังไคยาข้างแรกพระสงฆ์เถระทั้งหลายปรบประบติแย่อนอนเลย หนึ่งอ น, อนุนขนข่ยเรื่องผู้หญิงมากเกินไปสองขนข่อยผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีอานุ์มาที่ไหนตั้งแต่สมัยข้างปริพัพธ์น่นนะทำไมจึงให้ผู้หญิงบริการผู้หญิงเข้าไปโกดเมันเหตุใดอนุนก็ฉเฉลยว่าเออเราผู้หญิงเขามีลกูกเป็เต้ามีจูบมีนมเขาต้องการห้เอาลงมาลูกกินก็ต้องรีย ก, กว่าบ้าน ผู้หญิงไปทำบ้านการบ้านทำอาหารการกินให้ครอบครัวให้เขากับกอดผู้ชายไม่มีตู้มีนมจะผิดก็เอาปรับก็ปรับเออพระสงฆ์ก็ปรับอบัตรทุกกฏเก็บพระนอนแต่ไม่จริงคนป่วยฟิกษุนีบวชทำไมบริการกันเลยเกินผู้เจ้าห้ามอยู่แล้วไม่บวชเอ้าใครก็ตามในสาธาธรรมวิ่ันนี่สามารถปฏิบัติประลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานนด้ทาไมไปห้าม ว่านวลยังไปกราบทูลพระเจ้านางมหาปชาบดีเศร้าหมองพระเจ้าก็เอยสงสารพระแม่ปนผมหมดแล้วยังไม่ให้บวชในทำไม่ในนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้จะพระผู้ชายเท่านั้นหรือผู้หญิงเป็นมาได้หรือย่างคนหลาสาลีบวตอวุลีทำไมเป็นอรหันนางทิสาขามหาปชาทำไมเป็นอรหันตได้ ผู้หญิงแท้ๆก็ยังเป็นอะไรทไมจึงห้ามไม่บวดพราะพุทธเจ้าตอบไม่ได้เลยเอาปวดก็บวดบื่ก็เบื่เอายอะในผู้หญิงบวดเลยนี่แล้วปรับรบำบัดเจเธอเอาปรับก็ปรับทำไมอนอนถูกปรับรบำบัติเพราะผู้หญิงเยอะๆเลยขนข่อยแม้เขาหนึ่งก็ปรับรบำบัินะ อนนนี่เป็นผู้ที่มีกิยามริยานดงดงามเนีมักจะบริการสังคมชุมชนดีไปแจกทานนักแห่นางภามณีในสำนักของอาัาษีเ้าบินระบาบไม่พอมาขออาหารจากสำนักเศตาวันอานนนก็แจกตอนนี้มีคนมาขอรับแจกอาหารจีคน ไอ้วันมายี่สิบคนพระเจ้าก็ถามมาวันละจีคนให้ก็ว่าให้เพียงพอละให้พลเรห่อละหอ่ะหอไปเห็นมาวันละยี่สิบคนยี่สิบคนเอาหนองกระห่อไวอ้ยี่สิบห่อเป็นไหมแต่วันนั้นมาสิบเก้าคนห่อแจกไปแจกไปแจกไปแจกไปแจกไปแจกไ ป, จ, ไ ป, จ, ไปจนถึงคนถูกตายสิบเก้าคน มันเหลืออยู่กี่หอ่อ19คนนะเอ้ายังไม่แจกเลยว่อาอาหารสองห่อนะคนที่19เหลืออยู่สองห่อใช่ไหม18แล้วใช่ไหม19 20มันเหลืออยู่สองห่หอเอาให้สองห่อเลยเอ้าเอาไว้องห่อแต่ว่าเป็นโอกาสพมณีสาวเป็นพมณีสาวไว้พอรับเกียกฐานไปแล้ว อ่าก็ถามว่าเธอได้เกียห่อฉันได้สองหอ่อทำไมเจ้าได้สองหอ่อเพราะันก็ได้คนละห่อเดียวเนี่ยไม่รู้ล่ะอานอนเขาก็มองเราเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> ออความนี่ก็คิดไปเองนึ่ว่าได้อาหารสองหอ่อไม่ว่าเพอโดนรักตัวเองก็เลยไปคุยโอ้อวดใครโตใครหลายวัน มีห้าทีก็เล่าเลยกันไปได้ยินถึงสำนักเทตะวันก็พระเจ้าก็ถามทำ ไ, ไมอ่ะนอนลักทรมาีเหรือเขาเล่าเลยกันอา้ามันเรื่องอะไรเอา้าว่ันนั้นเธอให้อาหารเขาสองห่อพระองก็เช่ว่าอู้มันอาหารจี่สิบห่อมันมาสิบเก้าคน แต่ก่อนมาวันที่ชีวิมันรุ่ยจะขึ้นมาตทำไปเลยฮะเขาไปปานี้ซึ่งวิ่งไหนข้อนี่ห้ามขึ้นว่าห้ามแย่งสิ่งของด้วยมือของตนเรายังสวดเป็นมววัววานภิกษุให้สิ่งของแต่มือของตนต้องปราจิ ต, ติห้ามนะพระสงฆ์ทั้งห ล, ลายเรื่องอานหนุนอุปการชีวกรนี้ก็มากระสือกระหอบมาเงไายไหลขย้อยมา ขอถางแหวกเข้ามาวิ่งมาจากหมืองอื่นมาัวจะไปเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นมาสี่สิบปีเราผิดพังณัตแล้วเกินเสียใจวิ่งมาวิ่งมาก็ขอเถอะขอเถอะขอให้เข้าพระุทธเจ้าแต่ก่อนพระนอนบริการผู้หญิงนะอุปงาชีพวกคนนี่เป็นผู้ชายเขอกัากว่าวอดุสสวิ่งมาเงื่อไรลขย่อย เสงกันกับผู้ายชีวะก็นอนนาะใช่ไหม <laughs> ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปออกไปกำลังผู้หญิงเข้าชิวมาเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปโวยวายขึ้นมาพระเจ้าเรียกอนอนเรื่องอะไรกันเจ้าอาภัตจวนอนอยเรื่องอะไรกันอนอนผู้ชายชีวะเขาจะเข้าไปอรพเจ้าห้ามเขาอยู่เของไม่เชื่อวังเนะี่ย ให้เขาข้อมาเถอะนอนเด้อให้เขาข้อมาอยู 101, ่หุทเจ้าก็เลยอะไรอุปการชิวทวนกลมลงหมอควังธรรมทักําบอนกอดลิบิบาลขออนุญาตพระเจ้าเสดงทําให้ความดูไหมโอบาทข้อนี้ฮะว่าอย่างไรใครรู้บ้าไหมฮะ อันใาไทยพิกเวอามันยาวิววายะธรรมารสังกาลามาเทนาสัมบทธิตาตอนตั้งหลายจงยังความไม่มาให้ถึงพรออมเติดนี่เป็ น, นพระวิญญานพัฒนสอนของเราแต่ทดขั้นสุดท้ายแล้วผู้เจ้าปริวันอุปกาชิวะกุนยได้บรรลุธรรมเลยเกือบไม่เห็นรู้เจ้าเลยเป็นสาวกองสุดท้ายใช่ไหมสาวกองแรกคือใคร คนธัญภาพเมื่อวานนี้ได้ตัดทะลุปเป็นพระหันเมนื่อวานนี้คนธัญภาพจน40ปีไปถึงอุปการชีวคนนี้สาวกคนจุดท้ายอุเจ้าเทศกานแรกว่า ย, งายังไงการจุดท้ายว่างาฮะพวกเราได้รู้ไหมแดนทรงฉีกกระพาสวดอยจุมพี้กันแรกว่าอ ย, ย่งไรประธรมาพุทธภ า, าชิตตะ นั่นธรยังปัตมาพุทธภาจิตะคาถาโยปนามเแตปว่าอะไรไปดูเสียเปรียบกันขี้เกียจไม่ได้เดยูนี้หนังสือเราไม่มีปัมพาสิปปัถมคือขั้งแรกปัจฉิมคือขั้งสุดท้ายมัชฌิมะคือกลา ง, ลางนี่มันมีอย่างนี้ ขณะที่เราเป็นชาพทุทให้รู้เรื่องนี้เอาไว้ามาสอนเราอย่างน้อยก็เอาปัจจุบโอวาททางสุดท้ายอย่าประมาทสังขารไม่เที่ยงนะเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็ไม่ประมาทคืออะไรน้องตาเคยพูดเหมือนลอยเท่าช้างทำตั้งหลายอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท่าช้างใหญ่กว่ารอยเท่าสัตว์อื่น เอาทเข้าอื่นมาลงในได้มาลงใส่นี่ได้รอยเท่าช่างมันใหญ่ค็ไม่ประมาทยงมาอยู่กับเราในตอนนี้มีสติรู้สึกเลืกได้จูนี่แหละความไม่ประมาทรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่